ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องต้องสู้ให้สุดกำลังโดยสมณะซาบซึ้งสุริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สองเมษา ย, ยน2546นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ใครยังมีตาบ่าอะไรอีกไหมเนี่ยโยมสื่อสีมีตั้งยี่สิบกว่าข้อบอกให้ใครฟังใครก็ตกใจ <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่โยมก็บอกว่าทําสนุกดียี่สิบกว่าข้ออะก็ยังทําอยู่นะเนี่ยยี่สิบกว่าข้อโยมสื่อสีก็ยังทําอยู่ปกตินะ <c oughs> น ไ, มไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําเล่นๆแล้วก็หายไปไม่นะทํามายาวนานแล้วนะทามาเป็นปีสองปีแล้วนะ อ, อไม่ใช่ทำเล่นๆ น, นะอออืตั้งทีเดียวก็ไม่ต้องตั้งอะไรอีกแล้วโอกากระดับท่านที่ตั้งมือเดียวก็ก็จะตั้งตลอดไปนะคะแล้วก็ก็ไม่ไม่ค่อยล้มนะคะก็จะอยู่เป็นคนวัดด้วยก็ต้องตั้งตลอดเมื่อก่อนมันก็ยังแอบๆอยู่นะคะทีนี้มันจะไม่มจะพยายามไม่แอบนะคะพยายามนะหลังๆเนี่ยคนวัดเราก็รู้สึก หลายคนอยู่เหมืองกันนะกินมื้อเดียวไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์วควรจะฝึกให้ได้มันไม่ยากเกินไปหรอกตั้งใจจริงๆริปฏิบัติดีๆได้ไม่แหมไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่ยากเกินเหนือบ่าปฝ่าแรงอะไรเหมือนท่านว่าเลยค่ะท่านตอนนี้จ ะ, จะกินมากๆเหมือนเดิมไม่ได้เลยค่ะมันอื ม, มันจะลดลงโดยอัตโนมัติเลยค่ะกินยังไงก็กินไม่ลงก็เลยก็เลยสอบตก ตักอาหารมาเหลือไปสองครั้งคิดว่ามันจะกินหมดนะคะเพราะปกติขนาดนั้นมันจะหมดนะคะเนี่ยทุกวันนี้อจะมายังว่าจะต้องกินลดลงเลยเพราะรู้สึกเอ๊ะมันกจะอ้วนขึ้นจะอ้วนขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าอย่างนี้ต้องกินลดลงไปอีกอืมอแล้วก็วข้อที่สองที่ตั้งเพิ่มก็คือจะนอนตื่นตีสามครึ่งเป็นอย่างต่ํามไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ก็ตามค่ะก็ทําได้ดีอพอสมควรค่ะค่ะมันมีสองข้อแค่นี้ค่ะ แล้วตื่นมาทําอะไรอะ่ะก็ตื่นมาอ่านหนังสือหรือบางทีก็มาเดินออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอจริงๆดีนะถ้าใครเนี่ยอยากจะแนะนําถ้าใครไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนอนดึกนะอยากจะให้นอนไวล้วก็ตื่นเช้าตื่นมาที่คุณฝึกสมาธิก็ได้ถ้าคุณไม่มีอะไรจะทํานะเออคุณก็ฝึกสมาธิมั่งเดินจงกรมมั่งดีกว่าแต่ถ้ามันไม่รบกวนใครเขา จะอ่านหนังสือก็ก็ดีก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือก็ได้จะช่วยทำให้อธมาว่าชีวิตเนี่ยมันมีระบบที่ที่ดีหรือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะดีได้มากเลยทีเดียวออพอดีเรามีคำถามหนึ่งถามมาเมื่อกี้นี้พึ่งพูดถึงโยมสื่อศีล น, นะว่าตั้งตะบาตั้งยี่สิบข้อเซรโ ย, ยมเขาก็ตอบว่า สนุกนะตั้งตะบาตั้งยี่สิบกว่าข้อทำมาตั้งร่วมสองปีแล้วนะยี่สิบกว่าข้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอจากห้าข้อสิบข้อเป็นสิบกว่าข้อเป็นยี่สิบกว่าข้อแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีความสนุกล่าเริงเบิกบานอยู่ใช่ไหมอพร้อมลงพร้อมลงหรือเปล่าเนี่ยหิยวลงหิวลงหรือเปล่าไม่พร้อมนะอดูก็ ยังแข็งแรงดีพอดีนี่คำถามเนี่ยเขาถามว่าการปฏิบัติธรรมที่มีจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและสนุกกับการนำธรรมะมาปฏิบัติสภาวะแบบนี้เหมือนกับเป็นการรูปรูป ค, คลำคลำหรือไม่แล้วความพอดีพอเหมาะจะอยู่ที่ตรงไหน หรือจะให้คนรอบข้างช่วยตรวจสอบคะถ้าจะให้รู้สภาวะความพอดีด้วยตนเองให้ช่วยกรุณายกตัวอย่างการรูปๆคำคำเนี่ยหรือเราใช้คําเป็นภาษาบาลีว่าเป็นไงถือศีลแบบไหนาาศีลนละตราปา마ต์คือการถือศีลแบบรูบๆคำค ำ, คำเล่นอันนั้น คือจริงๆแล้วเนี่ยตามคุณสมบัติหรือตามสภาพของการถือศีลเนี่ยจะต้องเอาจริงจะต้องปฏิบัติกายกรรมวัจีกรรมพโนกรรมเนี่ยให้พร้อมใช่ไหมในในศีลข้อนั้นๆหรือในตบาที่เราตั้งขึ้นมาก็ตามแต่ปรากฏว่าบางทีพอเราจะถือศีลหรือเราจะตั้งตาบาอันนั้นแล้วแล้วพอจะลงมือปฏิบัติ ก็ปรากฏว่าเราไม่เอาจริงบางทีทําแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอ่าวันนี้วันนี้ตั้งตั้งตาบาวว่าจะไม่กินขนมหวานอวันนี้พอตั้งไปเสร็จใช่ไหมปรากฏว่าเราเอาละพอถึงเวลากินนี่โอ้โหเจอขนมที่เราชอบแอนด่นก็อร่อยแอนนี่ก็อร่อยอพอตั้งเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็เลยอ้าว สติรู้ตัวอยู่ว่านี่วันนี้เราตั้งตา บ, บ่าวว่าไม่กินขนมหวานแต่มาเจอขนมหวานแล้วทําไงอะ่ะบางคนก็เอ๊ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตั้งใหม่แล้วกันวันนี้วันนี้กินก่อนกินก่อนเพราะวันนี้มีของอร่อยแล้วนะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีของอร่อยก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดียวพรุ่งนี้ตั้งใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มรูดูคำคำเล่นแล้วไม่ได้เอาจริงก่าจัง ถ้าเราเอาจิงเนี่ยเราต้องพยายามรักษาสีหรือตะบะของตัวเองเพราะนั้นพอแม้เราไปเจอของอร่อยใช่ไหมของที่เราชอบก็ตามเราก็จะต้องเนี่ยใช้วิปัสสนาหรือใช้สมถะที่จะแก้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้โหต้องสู้แล้วต้องสู้กับกิเลสความอยากของเราถ้าใช้สมถะก็คือไม่ได้วันนี้เราต้องรักษาตะบะเราให้ดีอย่าให้ตกลงหรือว่าอย่าให้เสียหายไปกนี้ก็ ไม่กินน่ะไม่มองอะ่ะไม่ต้องไปชะแ ง, ง่แลหามานะันน่ะงดไปเลยนะอดจิตอดใจไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช้สมถะใช้วิปัสสนาก็พิจารณาบอกโอ้วันนี้เราอุตสาตั้งแลแ้วแหมถ้าตั้งขึ้นมาแล้วล้มเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ล้มบ่อยๆแล้วมันก็จะทำให้พลังจิตอ่อนแอกลายเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อย จะทำแล้วก็ไม่ทําจะทําแล้วก็ไม่ทำเนี่ยก็วิตกวิจารณ์ไปพิจารณาไปจนกระทั่งเห็นโอ้โหคุณประโยชน์ในการที่เราเนี่ยจะงดจะเว้นซะได้อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าถ้าเราทําได้ถ้าเราทํ า, าทได้เราชนะแม้ก็โอ้โหก็มีปิติมีสุขนะแล้วก็สามารถที่จะวางกิตวางใจอยากขนมนั้นได้อย่างเงี้ย เราก็จะทำได้ดีนะมันก็ไม่ลูกๆคำคำเล่นตั้งใจแล้วก็ทำจริงๆแต่ถ้าใครไม่เอาจริงมันก็ลูกๆคำคานะบางทีอา้าวไปเจอของอร่อยก็เอาหน้าชิมแค่หน่อยเดียวนะเราไม่กินอะเราเอาแค่ชิมอันคนนี้ก็ขอนิดนึงขอนิดนึงชิมอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆห้ามจิตห้ามใจแล้วก็ปฏิบัติจริงๆก็ทำได้แต่คนนี้ไปยอมกิเลสมันนะให้กิเลสมันครอบครอบงาเราเราก็เลยยอมอ่อนข้อให้แล้วเราก็เลยอนุโลมไปนะเออทิมหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่เริ่มลูบๆคําแล้วมันไม่ได้เอาจริงทงั้งๆ้ที่เราจะเด็ดขาดสักก็ได้แต่เราไม่ยอมเด็ดขาดนั่นะนี่คือการลูบลูบคำคำ มันจะต่างจากคนที่เขาถือศีลหรือว่าเขาตั้งตาบากแล้วเขาก็เอาจริงเขาต่อสู้เขาเข้มแข็งแต่ว่าเขาไม่ทุกข์อะไรนี่บอกแล้วเขามีปิติเขามีสุขที่โอ้โหเขายิ่งเขามีสติเขารู้ตัวเลยว่าได้เห็นกิเลสเราแล้วเราก็ได้สู้กิเลสเรานี่อออืนี่สุดยอดเลยน่นอย่างนี้นี่แสดงว่าเรานี่ ไม่แพ้มันเพราะเรากำลังสู้อยู่นี่เราไม่แพ้มันที่มาแสดงว่าเรากำลังได้บุญอยู่เพียงแค่เราตั้งจิตจะสู้กิเลสเราก็ได้บุญแล้ว <reet> เรากำลังสู้กับกิเลสเราก็ได้บุญขั้นที่สองแล้วใช่ไหมถ้าเราชะนะอีกเราก็เป็นบุญขั้นที่สามเลย <Language> เราก็จะได้บุญสามขั้นตอนเลยแต่อย่างน้อยนี่เราตั้งใจแล้วสู้ได้บุญขั้นที่หนึ่งกำลังสู้อยู่ได้บุญขั้นที่สอง ยังให้น้อยได้บุญสองชั้นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนนี้รู้ความเป็นจริงพวกนี้ต่อให้เขาสู้แล้วเขาแพ้ก็ตามใช่ไหมแต่อย่างน้อยเขาก็ได้บุญสองขั้นนี้และส่วนสู้ไปเนี่ยบางทีกําลังมันไม่ไหวก็สู้เต็มที่แล้วแต่กําลังไม่ถึงกำลังไม่ถึงมันก็หล่นแมะก็แพ้แต่อย่างให้น้อยก็ได้บุญมาสองชั้นคือหนึ่งตั้งใจไว้ดีสอง ตั้งใจสู้ดีเนี่ยตอนสู้ก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นได้บุญสองชั้นส่วนแพ้อ้าวบุญขั้นที่สามมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆคนนี้กำไรคนนี้ไม่ขาดทุนนะแม้จะแพ้ก็ไม่ขาดทุนเพราะเนี่ยคนนี้วิปัสสนาหรือพิจารณาเป็นเห็นไหมแค่นี้เขาก็เอาเบิกบาลแล้วเขาก็เป็นสุขแล้วต่อให้เขาเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องมีตะบะหรือว่าต้องถือศีลแต่เขาก็มีความสุข ต่อให้พลาดพังไปบ้างอะไรไปบ้างเขาก็ยังมีความสุขเขาก็มีความเบิกบานแล้วในสภาพความเป็นจริงอะ่ะถามคุณจริงๆเหอะมีไมมกิเลสตัวไหนคุณสู้ครั้งเดียวชนะเลยอะ่ะมันยากนะกิเลสตัวไหนที่คุณแบบว่าคุณสู้ครั้งเดียวแล้วชนะเลยเนี่ยนะส่วนใหญ่อะ่ะคุณเคยทํามาได้แล้วในอดีตกรรมเก่าเนี่ยมันเคยทํามาได้แล้วหรือคุณทําจนจะได้อยู่แล้วจะได้มาเรามาลอ่ลอลอยูอ่แล้วล่ะ พันพอชาตินี้นี่คุณมาตั้งเข้าไปอีกหน่อยเดียวมันได้เลยนี่นี่คือลักษณะของกรรมเก่ากรอนใหม่ที่ที่วันไหนเมื่อวานใช่ไหมเออเมื่อวานนี้พูดไปให้ฟังแล้วเมื่อวันวันจันทร์เหรอเออเออเออใช่เมื่อวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าใจตรงนี้ได้นะอาตามาอยากจะบอกเลยว่าโอ้โห คุณจะไม่มาเสีย อ, อกเสียใจหรอกแม้ว่าบางทีคุณตั้งตาบ่าไปบ้างแล้วคุณแพ้ไปบ้างอะไรไปบ้างคุณไม่เสียใจเลยจริงจริงเพราะว่ามันทําเต็มที่แล้วนี่มันทําถึงที่สุดแล้วนี่แล้วเราก็ไม่ได้ลูบๆคำคำเล่นด้วยแต่ว่ากําลังเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเออกําลังเรามันมีแค่นี้ตอนนี้มันก็เลยยังเอาชนะทีเดียวเด็ดขาดนี่ไม่ได้เพราะบางครั้งก็ชนะบ้างบางครั้งก็แพ้บ้าง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทําแล้วทําจริงไม่ได้รูปคำเล่นนะอาตมาถึงบอกคุณจะไม่มาทุกหรอกว่าแพ้เนี่ยคุณจะไม่มาทุกแล้วยิ่งรู้สัจจารู้ความเป็นจริงว่าเอา้าก็กําลังเรามีเท่านี้ตอนนี้คุณจะไปหลอกตัวเองได้ไงอะ่ะสมมุติว่ากําลังคุณเนี่ยสามารถจะยกยกไอ้ก้อนน้ําหนักเนี่ยยังเก่งคุณยกได้แค่50ากิโลนะนี่คือสุดกําลังคุณละคุณยกได้50ากิโล ตอนนี้เขาให้คุณไปยกหกสิบกิโลคุณก็พยายามเลยนะไปถึงก็พยายามจะยกแบกให้ได้เลยหกสิบกิโลแต่แบกยังไงคุณกอ็ออกแรงแล้วออกแรงอีกแบกยังไงก็ยกไม่ขึ้นอ่ะเพราะมันมันหนักเกินที่คุณสามารถจะยกถามหน่อยคุณจะเสียใจไหมที่คุณยกไอ้ก้อนนี้มันไม่ขึ้นอ่ะไม่เสียใจหรอกเพราะมันมันเอาก็เราสูงสุดเรายกได้แค่ห้าสิบ ไอ้นนี่มันเกินกว่าที่เราจะยกได้มันก็ยกไม่ขึ้นมันก็เป็นธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเราควรจะเสียใจเมื่ออะไรรู้ไหมเมื่อจริงๆเนี่ยถ้าเรายกจริงๆเนี่ยห้าสิบกิโลเรายกขึ้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าบางทีเขาให้เราไปยกแค่สามสิบกิโลเท่านะั้นปรากฏว่าพอเขาให้เราไปยกต้อนน้ําหนักที่สามสิบกิโลพอเราไปถึงเราก็ทําสะง้อสะแงะทําเป็น อะไรอ่ะเบื่อเซง็งทําเป็นหมดเรีย่ยวหมดแรงเลยยกไม่ขึ้นเลยก้อนสามิกิโลอันนี้มันน่าเสียใจทั้งๆที่ความเป็นจริงเนี่ยกำลังเราสามารถยกได้ทั้งห้ากิโลแต่เราเองเราไปอะไรอ่ะอ่อนแอบ้างเราไปท้อถอยบ้างเราไปห่อเหี่ยวใจบ้างก็เลยกลายเป็นยกไ อ, กอก้ก้อนน้าหนัก30มกิโลไม่ขึ้นเลย อันนี้โอ้โหน่าเสียดายมากมาน่าเสียใจที่ว่าข<ม>ีดความสามารถเราถึงแต่เรากับยกไม่ได้อันนี้พผู้เ จ, จ้าท่านเคยเปรียบเหมือนกับคนที่สะสมบุญกุศลเอาไว้อันนี้ท่านมีตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเลยว่าสมมุติว่าคนเนี่ยสะสมบุญกุศลเอาไวา้สมมุติว่าสะสมมาได้80ซ็นะแปิหน่วย คนนี้มีบุญแปดสิบหน่วยแล้วคนนี้ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเออเขาสะสมบุญมาได้แปดสิบหน่วยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่เขาเกิดตายไปเนี่ยบุญกุศลที่เขามีสะสมเอาไว้เนี่ยเขาอยากจะตายไปแล้วเนี่ยขอให้เขาไปเกิดเป็นอะไรอ่ะลูกคนร่ำรวยเป็นเป็นลูกเศรษฐีพูดง่ายๆนะ ให้มีเงินมีทองก็แล้วกันเขาก็ตั้งจิตไว้อย่างนี้แค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติแค่ได้เกิดเป็นลูกคนรวยเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องสะสมบุญถึงแปดสิบหน่วยหรอกบุญแค่สี่สิบหน่วยห้าสิบหน่วยก็ก็ได้แล้วไปเป็นลูกคนล่ำคนรวยได้แล้วแต่ปรากฏว่าคนนี้อยากได้ เป็นลูกคนล่ำคนรวยบุญจริงๆตัวเองเนี่ยนะสามารถได้ได้ถึงแปดสิบหน่วยถ้าตั้งจิตปรารถนาพูดง่ายว่าถ้าตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดคราวนี้ไปเกิดเป็นพระโสดาบันโอ้โหนะสมมุติว่าฐานตัวเองเนี่ยถึงอะ่ะทำได้อยู่ในแปดสิบหน่วยที่บุญสะสมมาทาได้อ่สมมติว่าฐานโสดาบันเนี่ยแค่ หกสิบหน่วยเท่านั้นน่ะ ก, ก็เอาซักเอาแปดสิหน่วยเนี่แหละเต็มแปดิบหน่วยเนี่ ย, ย, ยได้ฐานโสดาบันเอาเป็นได้คนนี้เป็นได้แต่คนนี้แทนที่จะตั้งจิตเพื่อที่จะทําฐานโสดาบันเนี่ยให้ได้สูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นเงี้ยกลับไม่เอาอ่ะจะเอาแค่โอขอให้สุขสบายแบบโลกียแบบโลกโลกนะเอาแค่มีทรัพย์สินเงินทองสมบัติเกิดมาก็อยู่กับกล่อมร่ำรวยแล้วได้จริงๆรินะ เพราะอะไรเพราะกำลังบุญที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยนะพลังบุญที่สะสมมามันพอพอที่จะเป็นไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยก็ได้อ่าเมื่อตายไปแล้วตั้งจิตว่าอย่างนั้นก็ไปได้จริงๆโดยที่เรียกว่าขอให้ร่ารวยอย่างเดียวจะเรียวไล่จะไม่ดีอะไรยังไงไม่สนนะไม่เกี่ยวอ่ะขอขอเอาแต่อย่างเนี้ยเพราะฉะแทนที่จะ ได้องค์ประกอบอื่นที่จะอะไรอะ่ะได้อยู่ในบางทีอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในมิตรดีสายดีหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ที่แม้ไม่รวยแต่เป็นพ่อแม่ที่เป็นอริยะบุคคลอะไรเงี้ยอ้าวผมก็เลยยากสิมันก็เลยไม่ได้อะบางทีมันก็ไปได้อยู่กับเอา้าพ่อแม่ที่ร่ํารวยโดยที่บางทีอาจจะไม่ไม่ค่อยมีศีลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เศรษฐพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างเนี้ยเราไปตั้งใจอย่างนี้นะล้วก็ได้จริงๆด้วยเพราะคุณสมบัติเนี่ยถึงที่จะได้พุทธเจ้าท่านบอกอย่างเนี้ยสวยท่านใช้คำนี้เลยนะว่าอย่างเนี้ยอสวยนี่อาจามาพูดเองแต่ท่านท่านใช้คำว่ามิจฉาทิฐิท่านใช้ว่าเป็นความคิดความคิดเห็นที่ผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองมีบุญมากกว่านั้นแต่กลับ กลับพูดง่ายว่าไปไปหวังที่ต่ํากว่านั้นต่ํากว่าที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้นะเหมือนเหมือนปฏิบัติธรรมถึงบอกว่าจริงๆกําลังเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีศีลห้กาก็ปฏิบัติได้ศี่แปดก็ปฏิบัติได้แต่เราเนี่ยไม่เอาเร า, เาแค่สี่ห้าก็พอศี่แปดเราไม่เอาแต่จริงๆเนี่ยขีดกวาสามารถเราปฏิบัติศี่แปดได้แต่เราไม่เอาไงเราเอาแค่ศี่ห้าพอแล้ว เกิดชาติหน้าฉันได้ก็เอาแค่สี 5, หนห้าสี่แปดเราไม่เอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผู้จ้าก็บอกว่าอย่างเงี้ยมิจฉาทิฐิตั้งจิตไว้ผิดเพราะจิดความสามารถเป็นได้สูงกว่า น, นั้นหนะ้าที่อัตมายกตัวอย่างนี้ก็เพื่อที่จะมาให้พวกเราเห็นว่าบางทีตบะบางอย่างศีลบางาบางอย่างที่เราตั้งตั้งกันเอาไว้แล้วเนี่ยจริงๆเราทําได้ไง แต่เราเนี่ยไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่อินทร์ระระของเราทำไปให้มันเต็มที่มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้อย่างที่มันควรจะได้เพราะอันนี้น่าเสียดายมากๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคนนั้นก็กลายเป็นอย่างนั้นเลยแทนที่จะสูงขึ้นแล้วกลายกลายเป็นต่ําลงก็ได้เพราะว่าจิตมันไม่สู้ จิตมันถอยหลังไปเรื่อยนี่จิมันถอยหลังไปเรื่อ ย, อยลอแล้วมันจะไปพัฒนาให้สูงขึ้นได้ยังไงต่างจากคนที่พอทำเต็มที่แล้วอาตมาบอกแล้วแม้ทำไม่ได้นะบางทีล้มบ้างพลาดไปบ้างแต่คนนี้ก็ยังสู้พยายามโหนขวนขวายเอาจริงพยายามปฏิบัติพยายามกระทาคนเนี้ได้มีตัวอย่างที่พระเจ้าท่านพูดถึงอาตมาอาจจะจาไม่ได้ชัดเจนนักนะ แต่จําได้แต่เนื้อหาจุดประเด็นหลักๆ ก, ก็คือมีพราหมณ์มีพราหมณ์ที่เหมือนกับถือศีลแปดได้เนี่ยเสร็จแล้วพราหมณ์คนนี้ก็ลดละอะไรต่ออะไรมานะก็อยู่บ้านเหมือนกันเไม่ได้มาวัดหรอกแต่พราหมณ์คนนี้ก็อยู่แบบติดแป้นและแบบเสพสบายของตัวเองไปในขณะที่อีกคนหนึ่งพรามณ์คนนี้นี่ ก็มีลูกมีภรรยามีลูกเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนกับว่าถือสินแปดจะละก็แล้ ว, ลวก็งดเ้นเมถุนงดเ้นอะไรไปละเสร็จแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมีครอบครัวเนี่ยแต่งงานแต่งการมีลูกเต้ า, ายังเรียกว่ายังยังยุ่งเกี่ยวอยู่กับครอบครัวอยู่เลยถ้าจะว่าไปก็แค่ถือสีนห้าแต่ในขณะที่ ชายคนนี้ถือศีลห้าเนี่ยมันมาวัดพูดง่ายมันมาฟังธรรมแล้วก็พยายามศึกษาพยายามรู้พยายามปฏิบัติถือศีลถือตะบะอะไรของตัวเองเนี่ยขวนขวายที่จะให้ดีขึ้นจะให้ดีขึ้นคนเนี้ยปรากฏว่าตะลังเนี่ยคนนี้ก็ตายไปพราหมณ์นั้นก็ตายไปเสร็จลูกสาวของพราหมณ์เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออเนี่ยพ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรหมายถึงว่า อ, อยู่ในฐานไหนอสมมุติว่าอนุมาจําไม่ได้นะว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านพยากรณ์ว่าเป็นโสาบัญหรือเป็นสกิทาคามีอันนี้อนุมาจําไม่แม่นแต่ก็บอกว่าเนี่ยพามคนนั้นอ่ะตายไปแล้วก็ได้สกิทาคามีอเสร็จแล้วเหลนี้ผู้ชายอีกคนนึงอ่ะที่มีครอบครัวนะจริงๆแล้วฐานแบบศรีห้าใช่ไหมถ้าฐานแบบศรีห้าเนี่ยจริงตามฐานหน้หน่าจะอยู่ฐานหน้าเลย โสดาบันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้สกิทาคาบีคือผู้เจ้ากลับบอกว่าเนี่ยได้ได้สูงกว่าที่เราคิดที่เราเข้าใจอ่าโอโหลูกสาวพระไม่ยอมเลยบอกอะไรทําไมอย่างนั้นล่ะทําไมจะมาได้เหมือนกับพ่อเขาได้ยังไงอ่ะอ่ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมเชื่อ แต่หลังพระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยอธิบายแล้วก็บอกให้ฟังถึงความแตกต่างว่าก็พราหมณนะ์เนี่ยถือศีลอะไรทำอะไรดีไปแล้วก็พูดง่ายว่าติดแป้นแล้วติดสบายแล้วนะมันไม่สูงขึ้นไปอีกแล้วเพอเพอไม่รู้จะเสื่อมลงหรือเปล่ า, าสิใช่ไหมเพราะว่ามันเสพอะตั้งตนอยู่บนความสบายเป็นไงอางกุศลธรรมเจริญเนี่ เพราะนั้นนะมีแต่จะเสื่อมนะอไปมัวเอาสบายอย่างนั้นแต่ตรงข้ามชายคนนั้นนี่จริงเขาอยู่ฐานแบบศีห้าใช่ไหมแต่เขาขวนขวายเขาพยายามเขาพยายามลดละเขาพยายามต่อสู้เขาพยายามที่จะตั้งตาบ่าหรือทําศีลของตัวเองเนี่ยพยายามที่จะให้เพิ่มขึ้นแล้วก็มันศึกษาด้วยมันตรวจสอบกิเลสตัวเองสู้กิเลสตัวเองอ้าพุทธเจ้าบอกเนี่ย ปรากฏว่าอะเขาก็ปฏิบัติไปจกนกระทั่งเขาตายไปเนี่ยอฐานเขาถึงน่ยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเสมอกันพระพุทจ้าท่านก็อธิบายเป็นเชิงเนี้ยนะแต่มาจําไม่ไม่รายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วแต่จําได้แต่ว่าเนื้อเนื้ อ, อมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันเนี้เนี่ ย, ยคือความแตกต่างวันทําไมอ่ะแค่ฐานพระโสดาบันเนี่ย ใช่ไหมที่มีสมข้อสข้อที่อย่างน้อยจะต้องได้ฐานโสตบันเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะหนึ่งละอะไรเอ่อหนึ่งละสักยะทิฏฐิสองวิจิกิจสาสศีลและพุปาปา마ฏเห็นไหมแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองเนี่ยจะต้องเลิกที่จะมาลูกๆค ำ, คำๆเล่น ถ้าใครยังรู ป, รปคำคำเล่นนี่ยากที่จะพัฒนาแล้วก็สูงขึ้นได้จริงๆมันต้องเอาจริงแต่ในความเอาจริงนี่ไม่ใช่โอ้โหอะไรนะหน้ากระตึงตากะโตโอโ้เครียดอะไรอย่างเง้นไม่ใช่การเอาจริงไม่จำเป็นไม่ต้องเครียดการเอาจริงแบบเนี่ยเบิกบานแจ่มใสสนุกก็ได้ทำไมอะ ทำไมเอาจริงแล้วจ ะ, จะต้องเคร่งเครียดเหรอือเวลาเอาจริงอะเอาจริงไม่จําเป็นต้องเครียดก็ได้หรือหรือหรือไม่ได้เอาจริงๆเอาจริ ง, รงไม่จาเป็นต้องเครียดเลยเอาแตมาว่าคนที่เครียดเนี่ยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคือทําเหมือนกับแบบเจโตะเอาหัวชนฝาอย่างเงี้ยคือสู้แบบเอาหัวชนฝา หัวจนฝาหัวชนฝ า, ห, นาหัวก็เจ็บหัวก็โนหัวก็แตกเอออย่างงี้มันเครียดนะถ้าทําไปโดยแบบเนี้คือมันไม่ค่อยจะใช้ปัญญาพิจารณาด้วยคือสู้แบบดุยดุยอ่ะอดทนกัดฟันลูกเดียวอ่ะโอ้โหสู้แบบนี้มันบางทีมันตึงเครียดเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณใช้ปัญญาประกอบด้วยอ่ะสังเกตไหมทําไมผู้เจ้าตัดว่าฌานอยู่ที่ไหนเป็นไงปัญญาอยู่ที่นั่นฌานเป็นตัวแสดงความสุข ฌานเนี่ยเป็นความสุขของของผู้ปฏิบัติฮ้อนฌานอยู่ที่ไหนปัญญาต้องอยู่ที่นั่นนะเฮ้อนความสุขมันจะเกิดเนี่ยต้องมีปัญญาประกอบด้วยพฮ้ะนกูจะถือศีลุณจะตั้งตบาก ค, คุณต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยจริงไอ้กำลังการอดทนอดกั้นก็ต้องใช้อะแต่มันใช้แต่อดทนอดกั้นเนี่ยบอกบ่อยเลยว่าระวังมันจะเก็บกด มันจะไม่ใช่อดทนอดกั้นนะมันจะเก็บกดเอาอะเก็บกดมันก็รอระเบิดก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจได้เอาปัญญาเข้าไปประกอบด้วยปัญญาตั้งแต่เริ่มตั้งตะบะหรือเริ่มที่จะถือศีลอ่าแล้วก็กำลังถือศีลอะจะใช้ปัญญายังไงพิจารณาแม้แต่เสร็จแล้วนะสู้กับมันแล้ว ชนะก็ตามแพ้ก็ตามก็ใช้ปัญญาพิจารณาอีกว่าแพ้นี่แพ้เพราะอะไรแพ้อย่างสมเกียรติหรือเปล่าแม้แพ้ใช่ไหมถ้าคุณสู้แบบสมเกียรติแล้วท่านบอกโอ้คุณไม่มาเศร้าโศกคุณไม่มาเสียใจหรอกถ้าคุณพิจารณาเป็นแล้วจริงๆไม่ไม่มาโศกเลยไม่รู้จะโศกไปทําไมอ่ะก็ขีดความสามารถมันได้แค่นั้นเออแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าเราทําได้แค่นั้น ยิ่งชนะเอายิ่งชนะจะไปเศร้าโศกอะไรยิ่งชนะก็ยิ่งเบิกบานยิ่งแจ่มใสใหญ่เลยอืไม่มีใครรู้ได้ว่าขีดความสามารถเราจะแค่ไหนถ้าคุณไม่ลองสู้จริงๆคุณสู้งองงแง่แ ง, ง, ง่คุณก็ไม่รู้ขีดความสามารถตัวเองใช่ไหมคุณต้องสู้เต็มกาลังคุณต้องสู้เต็มที่คุณถึงจะรู้ขีดความสามารถว่าว่าสุดกําลังเราเนี่ยได้แค่ไหนสมมุติว่าให้คุณไปยกอะไรเงี้ย คุยกยกแบบออมออมแรงคุณนะเนพราะฉนั้นพอคุณไปเจอหนักหน่อยคุณอุ้มไม่เอาเลยเว้ยอันนี้หนักจัเลยไม่ยกแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่ากําลังคุณมีมากที่สุดได้เท่าไหร่ใช่ไหมถึงบอกว่าต้องใช้เต็มที่เลยใช้กําลังเต็มที่เลยยกดูสิถ้าถ้าคุณใช้เต็มที่ทุกอันนะคุณไล่น้ําหนักไปเลยนะสิบกิโลยี่สกิโลสิกิโลห้าสิกิโลไล่ไปเรื่อยๆนะ ก็คุณยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยจนถึงสูงสุดอันไหนที่คุณใช้กำลังเต็มที่แล้วคุณยกไม่ขึ้น่ะคุณก็รู้แล้วว่าโอ้โหสุดกําลังเราได้แค่นี้นะคุณจะรู้เลยอสมมุติว่าคุณยกไปจนถึงอันแปดสิบกิโลใช่ไหมคุณยกไม่ขึ้นเพราะฉั้นกำลังสูงสุดของคุณคุณมีได้เท่าไหร่กําลังสูงสุดของคุณนี่ยอ่าสูงสุดก็เจ็ดสิบเก้าแต่ว่าแปดสิบยกไม่ขึ้นสูงสุดคุณได้แค่เจ็สิบเก้าเท่านั้นน่ะ เพราะนั้นอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเออกาลังเราแค่นี้เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยคุณเกิดไปยกอะไรที่มันโอ้โหแปดสิบหรือเก้าสิบแล้วคุณยกไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะเสียใจเหรอคุณจะเสียใจเหรอเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณยกได้ศูนย์ถูกแค่เจดิบเก้าอ้าวก็อ่าสมมติว่าเราเราจะตั้งตะบะเราจะกินมื้อเดียวนะ เสร็จแล้วบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้เพราะนั้นในความเป็นจริงบอกแล้วต้องใช้ปัญญาคุณพิจารณาตามความเป็นจริงบ้างครั้งไหนที่ทำได้บ้างแล้วครั้งไหนที่ทำไม่ได้บ้างและไอ้ที่ได้มันได้เพราะอะไรแล้วที่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรต้องพิจารณาด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างวันเนี้ยที่กินมื้อเดียวได้เพราะโอ้โ ห, โหนะพอดีเลย อ, อเมริกาเอาระเบิดไปทิ้งอิรัก หัวมัวสนใจอยู่แต่ตามข่าวนะลืมหิวไปเลยวันนี้เลยทําได้เลยมือเดียวอ่าอันนี้คุณรู้แล้วนะว่าไอที่ได้ข่าวนี้เป็นไงน ไ, นได้เพราะอะไรไเพราะจิตเราเออจิตเราไปอยู่เรื่องอื่นไปเพลิเรื่องอื่นใช่ไหมมันเลยได้อ่ะแต่พอปรากฏว่าพอพรุ่งนี้อ่าเงียบแล้วเสพเสพข่าวสงครามมาอิ่มแล้วเพราะวันนี้ไม่สนแล้ว อเมริกาอิลากจะยังไงไม่สนแล้วคราวนี้วันนี้ก็ยังคงจะกินมื้อเดียวอีกอะ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วยังไงละครนี้วันนี้ปรากฏว่าโอ้โ ห, โ, หโดนติบ้างโดนว่าบ้างเสร็จแล้วก็เลยเซ็งเบือ่ออารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคนเรายิ่งพออารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเป็นไงนะยิ่งหิว เราเรียกโมโหหิวโมโหแล้วหิวข่าวนี้ก็เลยอะไรอ้าวพอโมโหแล้วมันเป็นไงอ่ะมันทุกข์ใช่ไหมคือจริงๆโมโหแล้วมันทุกข์เพราะฉะนั้นคนเราก็เลยจะต้องดับทุกข์เพราะฉะั้นวิธีดับทุกข์เป็นไงาบางทีไปหายนูนกินหายนี่กินดับทุกข์บางคนไม่ใช้ไม่ใช้วิปัสนาดับทุกข์บางคนใช้อาหารการกินดับทุกข์ เพราะฉะนั้นเป็นไงคราวนี้วันนี้ทาไม่ได้แล้ววันนี้พังมือเดียวทำไม่ได้เพราะหนึ่งอารมณ์ไม่ดีเสร็จแล้วพออารมณ์ไม่ดีเสร็จวิปัสสนาไม่เป็นเลยหรือสมถะก็อ่อนไม่มีแรงสมถะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แพ้